ตอนอบรมคอร์สนาวามินระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน2559ตอนที่6ก็เวอร์ชันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากฟอมม้อด้วยภาพเนาะมีคำถามนะคุณจะไได้ไปไวๆจะได้ปฏิบัติอีกช่วงหนึ่งขอเรียนถามว่าช่วงจิตในจิตสมาธิเวียยโดยเฉพาะถ้ามีคนใหม่มาเพราะเหตุใด เวอรกอที่นี่ถึงบอกว่าไม่สมควรส่งเสียงร้องออกมาดังๆมันต้องการจะร้องค่ะอยากกดปล่อยค่ะบพวกครูบอกว่าเข้าไปเลยร้อเอร์ซได้เลยช่วงนี้บอกเข้าไปเลยร้อเอร์ซแต่ไม่ให้ร้องมวยเอร์ซนะคือบางครั้งเัาปล่อยมันออกมาแต่ว่าไม่ใช่ไปติดใจก็เอาอยู่เรื่อยๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ี่ชีวิตเราในทางโลกเราจะเป็นคนไม่รู้กาลอาเีสยง ทางโลกเราก็ตามใจตัวเองมาปุ๊บเราก็ตามใจจิตตัวเองจริงๆแล้วจิตในจิตเนี่ยปดปล่อยออกมาบ้างไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่อย่าทำเป็นว่าออกมาทุกครั้งเลยนะแสดงว่าเราติดมันแล้วนะมะนั้นมีสุดท้ายตัวหลอก ว, ว่าต้องทําอย่างไรเนา ะ, ะถ้าในช่วงท่านตรงจิตในจิตอยู่ในจิตในจิตแล้วในบางทีมันปล่อยออกมาบ้างเนี่ยก็เป็นการอา ร, รมณ์นะปล่อยออกมาปุ๊บเราก็รู้ว่าลมณนั้นแต่ไม่ใช่ สาใจกับวันแล้วก็ปล่อยออกมาทุกครั้ะบางทีที่บอกว่าคนใหม่มาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาชอบ ป, ปุ๊บเนี่ยเขาก็พลาดโอกาสตลอดชีวิตเนาะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรารุ่นเดียวกันทำมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนใหม่มาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันต้องมีจิตสมนึกว่าต้องเปิดโอกาสให้คนใหม่เขาเรียนรู้ก่อนถ้าเข้าใจกันแล้วพวกเราไม่เป็นไ ยไปอยู่ในศูนย์ใหญ่ไหนะเอาเลยจะทําอะไรก็เอาแต่อยู่ที่นี่ด้วยมันคนในเมืองยิ่งไอ้ที่เราทํำมันแปลกๆแค่บุคลิกที่แสดงเอาก็แปลกๆลแล้วเราจะไปสร้างอะไรสร้างข้อกังขาก็แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเข า, เขาปู่ไม่กลับเลยนะบอกชีวิตนี้บายๆไม่ต้องเจอกันเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะกลับเรียนพวกครูขาช่วงนันาจิตตังทำเลเวรเกอร์ที่ศูนย์นี้ถึงไม่ให้ลงไปนั่งนิ่งๆ หรือนอนนอนนิ่งหรือนั่งเหฉียงครับที่เขยังทําได้เลย้าหารไม่เห็นว่าอะไรเลยไม่รู้ว่าที่นี่ไม่ดีเลยไมยชอบให้ท่านตามใจตัวเองเลยถูกไหมเพราะวันเกิที่นี่เขาเป็นห่วงเราเนาะชีวิตเราตามใจตัวเองเราถึงทุกข์ไงนะก็นานาจิตตังก็คือนานาจิตตังไง ก็ทาตามโปรแกรมดีเขาว่าคือบางทีเราคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาให้องค์กรอะไรเนี่ยว่าเวลานี้คุณควรทําอย่างนี้ถึงคุณอยากทําอย่างอื่นคุณต้องอย่าทาถ้าเราอดทนได้ปุ๊บเราก็ได้มีบารมีนะเราฝืนมันถ้าเราตามใจตัวเองบ่อยๆเราจะเป็นคนที่สู้กิเลสไม่ได้นะแล้วตอนที่อยู่โค้หนึ่งก็อยู่โค้หลังจากโปรแกรมนี้อยู่โค้หนึ่งชื่อว่าอะไรรู้ไหม ศูนพัฒนากายจิตใช่ไหมแล้วยา้ายที่นี่เนี่ยชื่อว่าอะไรรู้ไหมชีวิตที่เด่นไงเออคนเจ้านะเป็นคนเป็นคนนอนละมือเป็นประจําแสดงว่าร่างกายหรือจิตกําลังส่งสัญญาณอะไรแต่จะแกไ้ไขอย่างไรได้บา้างครับสักแต่ว่ารู้อย่าไปรู้เลยนะมันมีนยมัยยะประมาณอยู่นั้นแหละะยิ่งพวกเราเปลี่นยนไปเยอะตอนนี้บางครั้งเราไปนอนปุ๊บ ไอ้ที่ธรรมลงมันค้างอยู่มันจะไรออกมานะบางครั้งเข้ามาสอบเราตอนที่เรากำลังนอนอะ่ะตึงหลับตื่นเนี่ยตอนนั้นเราไม่มีสติพอเกิดไม่เกิดเห็นอะไรขึ้นพอเราไปเห็นนิมิต้วยเราฝันว่าเราสูญเสียสิ่งที่คนเรารักปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเสียใจแต่หลังมันทําให้เราเห็นของจริงว่าเรายังมีตรงนี้อยู่โอเคนะมันออกไปให้มันออกไปไม่ต้องไปตามดูว่ามันทําไมเนาะ ทำไปเรื่อยๆโยนใหม่จริงทําไมนี้พระครูจับคนเดียวชีวิตเราทํำไรทำใหม่เนี่ยเราตามหาคําตอบอยู่เรื่อยนะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องมีใหม่ก็แต่ดูสันหลังทับเส้นประสาทใช้าการเหยียดในท่านั่งจะมีอาการเจ็บปวดสะโพกซ้ายขวาค่อนข้งมาเป็นอุปสาทในการปฏิบัติให้จิตตั้งมัน่นค่อนข้างยาก จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับหาท่าที่มันเหมาะกับเรที่สุดหาท่าที่เหมาะกับเราที่สุดนะจะนอนปิงฝาบนั่งนั่งปิงฝาบักเราไปยืดขาไม่เป็นไรขอให้มันมี ก, ร า, การเบียเ่ยงเมื่อมันเบี่ยงเต็มที่แล้วตอนนั้นอนะ่ะมันจะมีท่าแปลกๆนะเดี๋ยวจิตมันจะจัดการอรมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยเป็นแม่คุณหมอด้วยอยู่แถวนี้นะ่ะคุณหมอเป็นหมอผาตัดด้วยถ้าเป็นคุณคนอื่นมาเนี่ยเนื่องจากจัญญาแพทย์คุณหมอ ต้องผ่าหมดแต่แม่ตัวเองมือสั่ไม่กล้าพ่าคุณหมอก็ไม่แน่ใจก็ไปที่ศูนย์นั่นแหละก็คุณเห็นแล้วลทรมานมากนั่งท่าไหนก็นานๆไม่ได้นะนะก็ออกให้เวียงเลยเพราะเวียงปุ๊บจิตมันหมุนมือมันหมุนมือเป็นชั่วโมงเลยนะคนแก่อายุเกือบเจ็ดสิบเนเสร็จก็ขาดหาย ถ้าเป็นหมอเขไม่ผ่าคนาตันตรงนี้ไม่ใช่มันหายนะบางทีผ่ า, าตัดตรงนี้มันทำลายระบบประสาทรับรู้ตรงนั้นนะไม่ให้มันทำงานเราก็รู้สึกว่ามันหายอันนี้แก้ไปแต่หาท่าที่มันเหมาะกับเราที่สุดเรียนจนปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วทําอย่างไรดีทำทำใจเนาะอยา่าหากำไรเกินควรนะนักกีฬาออกกำลังกายก็ต้องแลกเป็นความเหนื่อยความปวดเมื่อยหน่อย ยิ่งปวดยิ่งเบียดยิ่งมือเนื้อยิ่งเมื่อยนั่นคือเวทนาไม่ไม่มีบางแห่งเขาไปนั่งวันหนึ่งสิบกว่าชั่วโมงนะเพื่อใหมันเกิดเวทนาเลยนะนั่นแหละก็เอาเวทนามาพิจารณาอันนี้มันปวดเมื่อยมีเวทนาอยู่แล้วไม่ต้องสร้างขึ้นมาเหนือสุดยอดเลยเนาะแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าเมื่อยนะเมื่อยนะไปไปไปไปตอบยังไงไม่รู้เฉยๆอย่าไปสมใจมันเลาเบียดเดี๋ยวความเมื่อยนั้นมันก็หายไปหมดขอถามพ่อกูว่าเวลาเบียด หรือสันรู้สึกว่ามีพลังอะไรเข้ามาตามกายจนถึงศีรษะบางครั้งก็เกิดน้ำตาไหลสองวันนี้ปวดศีรษะทุกวันตกตอนเย็นก็รู้สึกหายเห็นไหมตอนที่เราเหวี่ยน่ะมันปวดศีรษะมันไปขุดปุกใครที่เึกๆมีใครบ้างที่เกิดมาถึงวันนี้ไม่เคยคิดเลยมีไหมครับยกมือหน่อยนึงจะให้ระวังคิดนั้นคือมโนโกรรมโดยเฉพาะ พ, พวกเราคนในเมืองเนี่ยอยู่ตรงนี้หมด พอเบียดแรงๆปุ๊บเดี่ยมันจะเงินมันมันจะสว่างความปวดมันจะถือขึ้นมันใ้มันให้เราเล่ายิ่งๆถ้าเกิดเราเบียดอยู่หรือเราเต้นอยู่นะเราไปคิดปุ๊บมันจะมุ้งอยู่ตรงนี้เลยนะตอนนี้กําลังขุดมันกําลังปรับสมดุลทั้งเรื่องภาษาสมองอะไรพวกนี้เห็นไหมพอเราเลอกแล้วมันทําไมหายถ้ามันปวดจริงๆต้องอย่างหายสิบางคนนั่งอยู่กรรมฐานเนี่ยโอ้ยร้องไห้ได้ร้องไห้บอกดเวลานะปุ๊บหายเดินไปกินข้าว มานั่งไม่ปวดต่อโปรแกรมนั้นยังไม่ปวดเขาเรียกว่าทํามาลุมมันไม่ใช่ปวดจริงๆปวดก็เอาปวดนั่นแหะมันก็คือเวทนาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการบึกจิตเราใช้สติรู้เท่าทันมันไม่ต้องไป็นตองย้ำมันปวดรู้เฉยๆอย่าไปอยากไปให้ความสําคัญมันแต่อยาก่าไปดีเสดมันปฏิบัติแล้วปวดตามากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเห็นไหมมันขุดออกมาหมดเลยมันขุดอมาเลยอะไรที่มันซ่อนแล้วก็ ให้ตัวนั้นเรารับาพิบัติตรงนั้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมันรถตรงมันวิ่จะปตอบสมนุนต่างๆนะจิตมากสุดจังมากมากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องการที่เราร้องเสียงดังออกมาเป็นเพราะอะไรครับเพราะเสียงดังหรอกถ้าบ้องบเบาๆมันก็เสียงเบามันเป็นการคําอารมณ์ออกมาเลยตอนเด็กๆมันเล่นกันเนี่ยเล่นกันปุ๊บพ่อก็อดีใจเอ๊มันมีมารายาเขาเสียใจร้องไห้ลงไปที่นี่ทปุ๊บนะลุกขึ้นมาปุ๊บ มันก็เล่นกันต่อแต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยแค่นี้ต้องชาระสิบปียังไม่สายกดไวไ้ไงพผมว่าน่าพุดมันจะไหล อ, ออกมาเรามาัญชกเป็นสัญญาไวน้นูะการเปียนแรงขึ้นเองโดยเราควบคุมมันไม่ได้เพราะเหตุใดครับเพราะมันเปียนเ อ, เองครับนั่นแหละแล้วต้องเป็นพลังอยากนึในตัวเราแหละ ไ, ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่เราสั่งการเห็นไหม แล้วทําทำเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตเห็งจิตมันคืออะไรเอ๊ะบางทีมันทําท่าปแปลกๆพอครูถามว่ามันคือใครล่ะนะมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเราเลยแนตะ่ทําไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นทําไมต่อชีวิตเราเราไม่เคยเห็ น, หนสิ่งนี้เลยกเ็เพราะเราไม่เคยสนใจมันเลยแล้วมีแต่ลืมตาไปมองคนอะื่นไงนั่นแหละเราจะเห็นอะไรสิ่งมหัศจรรย์ในตัวเราเนี่ย ม, ม, ม, ามากมหาศาลมากมันจะเริ่มแสดงตัวกับไม่เราเห็นเนาะ การเรียนขก็ครูบัญจาร์คำถามอันแรกที่เข้าปฏิบัติคำถามอันแรกที่เข้าปฏิบัติเนาะระหว่างการปฏิบัติจิตในจิตโดนยนั่งหมุนจนร่างกายมือแขวงไกวเองจนหยุดนิ่งรู้สึกเหมือนมีแสงแต่ไม่ไม่สว่างจ้าเมื่อใจไปคิดมันก็หลีแสงลงอยากถามก็ครูว่าหนึ่งที่ปฏิบัติอยู่จนมีความรู้สึกนี้ยังไม่ทราบว่า จิตจะเข้าในจิตเองอย่างไรเพราะมันว้างและกว้างใหญ่มากก็สัตธรรมรู้สัจธรรมเห็นมันจะเข้าไปหรือผ่าคอนชั้นมมนก่อนเดี๋ยววันไหนที่มันเข้าไปเนี่ยเราจะรู้เองว่าเออเราเห็นจิตแล้วนะและโดยเฉพาะมันชำนาญแล้วเนี่ยพอเราตั้งสติปุ๊บจะทำปุ๊บมันดำเนินไปเองนั่นและแล้วก็ถามตัวเองว่าไอ้มันดาเนินเองเห็นมันคนนี้คือใคร นะเซฮิโร่กับมันนะว่าฮัลโหลคุณอายุนะเราเห็นด้วยตัวเราเองจิตเห็นจิ ต, จตคือมั่งหลัแล้วเขากระแสะมักได้แล้วนะทีนี้มันก็เห็นเลยว่าเออถ้ามันดำเนินเองเมืะะ่อไหร่นั่นแหะนั่นแหะไม่ใช่เราสั่งการไม่ใช่สมองปัจจุบันไม่ใช่จิตปัจจุบันนะั่นแหละแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งนะั้นเรียกไปเถอะเขาไม่ทําเรื่องไร้สาระแต่ใจเราเนี่ยทําเรื่องไร้สาระมาตลอดชีวิตมันหลอกเราตลอดเห็นไหมจิตเขาทางท่าไหนก็ช่าง เขามีนัยะของเขาเขาไม่ทำเรื่องไรสะะ้สาระทุกกระบวนการทุกกิริยาที่เขาแสดงออกมีนยัยะกับเรื่องร่างกายแ น, น่นอนนะมรรคจิตที่อยู่ในตัวของเราจะทำให้เราเกิดเป็นผู้ตื่นผู้รู้ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ตอนนี้นอกจากการปฏิบัติสมาธิเบียงเราทาสมถากรรมฐานช่วยด้วยดีไหมครับเพื่อลดความสงสัย หรือเกิดจากความเคยชินตํหหาหนกไม่จับลมทาได้ไครับเมื่อจิตเข้าสู่สภาวะสมาธิแล้วจับลมหายใจไม่ได้แล้วจิตนั่งบางครั้งก็มีความฟุ้งซ่านเข้ามาก็ดูไปแล้วมันจะหายไปเองสุดท้ายแล้วเกิดความรู้สึกว่าจริงๆมันก็ธรรมดาไม่มีอะไรสภาวะที่เป็นคือปกติสงแต่ปกติ แต่เป็นสุขไม่ปุงแต่งจริงๆความสงบก็คือความปกติใช่หรือไม่ปกติแล้วก็สงบอยู่แล้วแต่ความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะเรามีอารมณ์อยากนะปกติสงบอยู่แล้วนะแต่เราทําให้มันไม่สงบนะเพราะความรู้ผิดของเราความอยากได้มันก็กระเพื่อมนะมันก็เพื่อมมันก็เพื่อมมันก็ทให้เกิดความไม่สงบนะถ้าเราทําลายความอยากไปเรื่อยไม่มีแล้วเนี่ยมันก็สงบตามธรรมชาติของ สงบสุขวุ่นวายทุกข์นะแต่ตอนนี้ชีวิตเราเนี่ยมนวุ่นวายไหมนะวุ่นวายมากเลยอยู่เย็นเป็นสุขนะ อ, อ, อยู่ร้อนเป็นทุกข์ตอนนี้เราชอบเล่าร้อนกันความเล่าร้อนกลายเป็นความสุขแต่เป็นความสุขของกิเลสเนาะการที่เรายังไปเรียนเรื่องธรรมละจิตอย่างที่พรอครูบอกเรียนมาครึ่งถังครึ่งถัง แล้วเรายังไม่ยอมหยุดแสวงหาทําอย่างไรให้เราหยุดแสวงหาแล้วมามุ่งมั่นดูจิตตัวเองคร่ะก็ะบอกเราอย่าแสวงหาเนาะก็บอกไปหยุดสักแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยก็เราไป็นคนแสวงหาเองไงความอยากโดยเฉพาะคนที่มีวิตกจริต น, นะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะนั่นแหละอนี่ยเพราะเราไม่ดูไม่ดูตัวเองใช่ไหม เราไม่เห็นตัวเองไงเราถึงทําตามความลังเลสงสัยอะไรเลยลังเลสงสัยนี่เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดยของจิตนะจกทําอะไรก็ตั้งมั่นทํามันสักพักหนึ่งก่อนทําจริงจริงจังๆเลยนะแล้วถึงจุดหนึ่งมันใช่ไม่ใช่เดี๋ยว ร, รู้เองแต่ไม่ใช่ทำครึ่งหนึ่งวะไปลองแต่นั้นก่อนลองที่นี้ึ่งหนึ่งก็ไปลองแต่นั้นก่อนนะั่นคือนิว่นาน้ำขึ้นถังน้องต้องศรัทธาตั้งมั่นกับสิ่งได้หมดแลไม่ต้องศรัทธากับครูนั้น ศรัทธากับสิ่งที่เราทำนะทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยเราต้องก็เรามีนหน้าที่ทําอะไรก็ศรัทธาตั้งมั่นกัมันนะแล้วก็มีความสุขกับการตั้งมัน่นเห็นไหมเพราะมันไม่ว่องแหวนนะต้องต้องเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองหน่นะไม่ใช่ว่าเรื่องจิตวิญญาณอย่างเดียวเรื่องเรื่องข้างนอกเหมือนกันถ้าทําแล้วดังเลยสงสัยอยู่ด้เบื่อยบือยาบหาบแล้วเนี่ยผลงานก็ไม่ดีเนาะจิตในจิตเรื่องนาณ า, นาจิตตา่ตางๆกันอย่างไรครับ จิตในจิตอ่านว่าจิตในจิตนานาจิตตังอานว่านานาจิตตังคำพูดก็ต่างกันแล้วเนาะทีนี้คำว่าจิตในจิตโปรแกรมนี้ชื่อแว่าทำไมจิตมันจะได้มีจิตสองดวงสิจิตเห็นจิตแสดงว่ามีจิตสองดวงสิจริงๆแล้วมันดวงเดียวนหลัคนละหน้าจิตแรกนี่คือจิตปัจจุบันนะจิตซึ่งเราปรุงแต่งแล้วจิตที่ชอบคิดนะ เราก็เป็นจิตใต้สมถกเรานะอีกหน้าหนึ่งอันนั้นคือจิตเดิมเรานะนั่นแหละครูบาอาจารย์ของเราที่แท้จริงแล้วเข้าไปเรียกับตรงนั้นส่วนฐานจิตดำเนี่ยช่วงจิตในจิตเี่เราสร้างแรงเหนี่นจะเข้าไปในจิตอย่างเดียวอยู่ในฐานจิตฐานธรรมส่วนกายภาพเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือของของจิตเฉยๆนะนะอันนั้นอินไซน์เอา อารมณ์ข้างในเป็นตัวสั่งข้างนอกทำท่านนู้นทำท่านี้ทําโยคะดีกว่าชั่วโมงนี้อะไรไม่ใช่เราสั่งการอันนั้นแหะข้างในสั่งข้างนอกส่วนนานาจิตตังเนี่ยคล้ายๆว่าเราอาแต่สเดือเดือนแรงเต้นคนนี้นะนะเราอยู่ปัจจุบันอยู่ต้องฐานกายฐานจิตออกเข้าออกเข้าออกอย่นี้เข้าออกอย่นี้เขาออกอย่างนี้นะที่ว่าไม่ไม่ต้องเข้าด้วยนะเข้าออกเข้าออกเขา ขึ้นานานาจิตตพเขาพระเจ้าเตือนเรื่อนไงนไี้มาเตือนสาวกบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัพพิชย่่อไม่เสียส่วนสุดโต่งสองส่วนระหว่างของคู่ระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกคือกายข้างในคือจิตข้างนอกนี่เราสุดโต่งอะไรทิ้ไม่เลิกไปแล้วเห็นไมสงออกตลอด น, นั่งอยู่ที่นี่มาคิดไปถึงบ้านหลังเห็นไหย อันนี้เราสุดตรงข้างนอพอเข้าไปในจิตปุ๊บเราก็ได้สุดตรงข้าไในนะให้อารมณ์ น, นั้นถูรูถูถกกำไปเลยเห็นไหมก็ไปจมอยู่กับอารมณ์นั้นนะมันเป็นอุปนิสัยของจิตปัจจุบันเนี่ยที่เราชอบอยากเรียนรู้อยากสแสดงหาชีวิตเราสุดตรงตลอดไม่ถูกก็ผิดเลยไม่ดีก็ชั่ ว, วเลยเห็นไหมมันไม่เป็นการแต่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆต่อไปข้างนอกก็ไม่ติดข้างในเขาไม่ติดนะ เขาพุ่งเปิดออกออกเพื่อไปทิดเข้าไ ป, ป, าปเนี่ยโดยอาศัยแรงสัญจนรถถแรงเต้นตัวนี้เนเป็นเทคนิคเป็นวิธีทาให้จิตเรามีเกาะนี่คือนาน า, นาจิตตอาศัยความเร็วสัญจนการเคลื่อนไหวรวเร็วเนี่ยทําให้ความคิดมันสังเกตเราไม่ได้นะคำว่านิ่งเนี่ยอย่างเซนเขาสอนเรื่องนิ่งนิ่งเขาสอนให้นิ่งขึ้นเขาแล้วนิ่งลงมา นิ่งไม่ได้อยู่เฉยๆมันต่อมาไง น, นิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวกับการเคลื่อนไหวทุกๆอริยบทตอนปฏิบัติมีความรู้สึกกลัวมากกลัวมันจะดิ่งและกลัวมันรู้สึกจะหูพัดมันดิ่งหรือยั ง, ง, ยงมันพูดหรือยังกลัวก่อนเนาะความกลัวนี้ทําให้เราเสือ่อมชีวิตเราที่เราทุกข์เพราะเรากลัวกลัวไม่สําเร็จกลัวไม่ปลอดภัย ต้นเหนตุของความกลัวเกิดมาจากความอยากอยากปลอดภัยก็กลัวไม่ปลอดภัยอยากสําเร็จก็กลัวไม่สําเร็จนะมันเป็นอุปทานอย่ากหนึ่งทุกคนก็มีทีนี้เราจะทำยังไงปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเมื่อพลางจิตลรามากเนี่ยมันก็กลัวอยู่เหมือนเก่าแต่พลังความกลัวนั้นสมมติว่ามันห้าสิบอร์เซ็ตแต่พลังจิตเราหกสิบเราผานมาได้เพราะผ่านไปพวกเฮ้ยมันไม่เป็นไรเนี่ยนะ อย่างบางสายนี่เขาเขาพิจารณาสุภาษนะเราเป็นคนกลัวผีมากคืนนี้เป็นปากกอนอนป่าช้ากลัวกลัวจนสุดท้ายกลัวจนตื่นเช้ามาให้ฉันไม่เป็นไรเห็นไหมแล้วเขาฆ่าคนความกลัวไม่ใช่เป็ผีมันโดยเฉพาะเข้าไปในจีบใช่ไหมเมื่อกี้เขาเขาส่งขาทหมอเอ็เนี่ยเขาบอกชีวิตนี่เวลานั้นน่ะเขากลัวที่สุดในชีวิตเมื่อโน่นตกเหวเห็นไหม ทีนี้มันมันมันประเมินแล้วว่าเธอเอาจริงไหมเธอจะผ่านเส้นทางนี้จริงไหมตัดแขนเธอมาก่อนเป็นค่าสวยหไม่กล้าตัดแล้วพวกลัวมันจะไม่สวยใช่ไหมเธอโดนลงไปเลยไหมอุ้ยไม่เอาฉันกลัวใช่ไหมมันมันสอบว่าแสดงว่าเราไม่ตั้งมั่นศรัทธากับสิ่งที่เราทำํำเรากลัวความกลัวมันยังแรงกว่าศรัทธาทีนี้ทํำยังไงละ่ะเอาไม อธิบัตใหม่สะสมพลังใหม่เพพลังด้านบวกด้านคุณสนธิจิตมันมากกว่าแล้วความวกลัวมัก็ยังอยู่แต่มันสู้พลังเราไม่ได้เราจะผ่านมัได้ถ้าเราผ่านไปครั้งหนึ่งปุ๊บอุปทานของความกลัวหายไปเลยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรกีแล้วจะเกิดศรัทธาไงไม่ใช่มาศรัทธาพวกกูนะเราจะศรัทธานในสิ่งที่เราทําอยู่เห็นไหมพอเราทำปุ๊บเราทำเดียวข้เป็นอะไรอะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ศรัทธาว่าให้เราทําได้ ไหมนี่มันเกิดเกิดศรัทธาด้วยตัวตัวเองมันเป็นความรู้สึกของตัวเองนะเราบอกว่าก็กลรูอกอย่ากลัวนะเข้าใจอย่เข้าจิตเดี๋ยวเก็กลัวอกกลวอยู่แล้วนะว่าเรายังมีจิเลสมีประทานอยู่แล้วก็ปฏิบัติต่อไปนะสะสมพลังเราเวลาทําสมาธิเรียนสักพักจะรู้สึกว่าเราไม่ได้บังคับให้กายเคลื่อนไหวมันจะไปของมันเองแต่เป็น เป็นอยู่ไม่นานมันก็หายไปเป็นเพราะเหตุใดทําอย่างไรจะรักษาการเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองไปได้นานทําไปอีกครับมันยังไม่ชำนาญวามันไม่ชา น, านาญเนี่ยนะพอเราถึงคิดปุ๊บ ม, มันจะแฟกเลยนะแต่ถ้าเราทางานนะครับเนี่อนะไรความคิดอะไรแทรกไม่ได้นะเขาเรียกว่าสมาธิมันจะยาวขึ้น น, นี้เรียกว่าสมาธิย่างสั้นอยู่เพราะพลังมันยังไม่พอก็ปฏิบัติต่อเรื่องสะสมพลังมันมีไหมครับว่าปฏิบัติไปช่วงเข้าจิตอยู่ๆมันจะเกิดอาการหยุดไปเฉยๆแบบไม่อยากเคลื่อนไหวแบบเหมือนว่างๆเฉยๆครับมีครับเป็นสภาวะํามอย่างพอมันนิ่งปุ๊บเฉยปุ๊บเราก็ดูไปเฉยๆนะสักพักนึงเดี๋ยวมันก็เคลื่อนอีก แต่ยัไติดเฉยๆ น, น, นานๆ น, ะ, นะมันจะไปติดสุขตรงนั้นนะมันก็ได้ได้แค่ความสมุกช่วงรูปเนาะปัญญาไม่เกิดลูกอยากถามพวอครูข่าวว่าการที่เราจะสู้คนเราต้องยึดหลักอะไรในการสู้ครับเพราะลูกเคยอ่านเจอในหนังสือพระพุทธศาสนาว่าถ้าเรายอมให้บุคคลอื่นมาหลังแก่นั้นถือว่าเป็นคน โง่มากค่ะแต่ลูกก็จะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเราให้ให้ให้อภัยค่ะลูกหาจุดยืนไม่เจอค่ะขอบพระคุณค่ะพคอู่นะอันนี้ก็ทางโลกสอนว่าเราต้องชนะทางธรรมว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นหาไมนจะขัดแย้งกันแน่ แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เนลาลังแกอะไรหรือเนี่ยนั้นะไม่ใช่ถึงขนาดนะ น, นะเป็นว่าบางครั้งมันเกิดเนอะไรขึ้นเราต้องให้อภัยก่อนเราก็ได้ให้อภัยทางเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนบางคนบอกเะแพ้เป็นภพรได้ยังไงเป็นคนโม่แล้วเป็นพระผู้ให้ไงเป็นพ ผ, ผู้ให้จิตเป็นพระและ้วนะแต่ถ้าอยากชนะแล้วก็กลัวแพ้มันเป็นมานแล้วแล้วก็นอนไม่หลับนะเพราะความกลัวนะ พอชนะดีใจสองวันกูก็กลัวไปอีจิตเป็นมารตลอดมันไม่สมองดีแต่ถ้าเราเป็นผาพู้ให้เลยนะเออให้แล้วก็ชนะให้เขาดีใจน่ะโอ้ยนั่มรนาสาธุเลยนะน้องดอนลูกชายพ่อคูขับน้องขี่ลูกสาวเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตพ่อคูไม่เคยเห็นจะด่าคนเลยน้องดอนมาจากอเมริกาเขาตัวใหญ่กว่าเด็กชนบทพ่อคูก็ให้ไปเรียนคนเพื่อนเขาหลังแกเขา เขกมาล่าให้ฟัครูกูบอกดอนเพื่อนดีดอนเพื่อนดีไหมไม่ไมดีถ้าดอนตีเพื่อนคืนดีไหมไม่ไมดีครับบอกเพื่อนอย่ดีอย่าเล่นแบบนี้ถ้าเพื่อนไม่ฟังบอก ค, คุณครูนะครูกูไม่เคยสอนแตนี้ลูกบางคนว่าไปฟ้องแม่มันตีเราได้ยังไงลูกตีมันคืนเลยนะฮะกลัวลูกเสียเปียกไหมพอลูกถูกตีทีหนึ่งมันตีึ้นลูกตีเ่าคืนเขาตีมาอีกสิบครั้งท้าที่จะเจ็บึงเจ็บสิบสองครั้งนะ เนี่ยเราสอนแบบนี้ไงเรากลัวเสียเปลียนไงเห็นไหมเขาตีเราเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาเป็นคนผิดไงเราจึงนะเอาหมสีกรรมไงถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครเลยสมมติพี่แอดนั่งอยู่ตรงนี้พ่อคูบอกว่าพี่แอดพ่อคูให้อภัยธนงไหมดีไม่ดีหลอกให้ไปบางทีเตะพ่อครูด้วยนะก็มีคนผิดแล้วไปจึงให้อภัยให้ไงนั่นแหละอภัยทานไม่ต้องเสียเงินนะ ได้เ ต, เต็มเลยนะได้เยอะที่สุดนะว่าผู้ทานเนี่ยหาเงินมาแทบแยกเลยแล้วปุชาแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเด็กยากจนช่วยสร้างบ้านร้างวาไปช่วยสังคมเนี่ยนะอันนี้ให้ธรรมทานเป็นอุบายทําลายความโลภความเป็นหนี้หรอนี่คือขัดเกลาจิตให้สมสายอย่างหนึ่งนะขัดเกาตัวโรคที่นี่ยังไม่น้อยกว่าในพระบูกําลังให้เยอะเลยนะ นะพูดถึงขอบคุณพวกเราที่เสียสละเวลามีคุณค่ามันนั่งให้พ่อ ก, กูเป็นฐานที่ตั้งในการให้ธรรมทานอันนี้ไม่ต้องเสียดังนะได้มากกว่าวัตถุทานหลายเท่าเพราะพ่กคูพูดทีเดียวเนี่ได้หลายคนเลยเห็นไหมถ้าอัดยูทูบเลวออกไปได้ทั่วโลกเลยเห็นไหมทาตัวนี้มันออกถูกวงกว้างเห็นไหมผู้ให้เนี่ยได้ในสูงมากกว่าให้วัตถุทานแต่ยังน้อยกว่าให้อภัยทานแค่ครั้งเดียว แล้วก็คนเดียวอา้ามันได้ยังไงแคบแคบได้คนเดียวเข้าใจไหมคือเราไม่ยกภูเขาออกจากอกเลยตัว อ, อย่างว่าเราแคบในในกรมาเนี่ยสิบปียังไม่สายแบกความแคบอยู่เนีผ่านไปเก้าปีสิบเอ็ดเดือนยี่สิบห้าวันอีกหนึ่งวันจะหมดวีซา่าคืนนั้นจะนอนหลับปุคิดถึงหน้ามาหยิกต่อวีซ่าไปอีกสิบปีมันคิดเฉยกะทุกเลวนะเพรแคบมันถ้าเราไม่เอาออกนะ ตายทุกกลายเป็นพยาบาลชาติหน้ามาเจอกันนีกยกตัวอย่างชีวิตนี้เราเจอในกอถูกชะตาแลนะ้วไม่มีเหตุผลนะเจอในขอหมันไส้ต้องเรีสารตอบสิทำไมนั่นะมันเป็นโปรแกรมที่เราตูงนั้นแต่ถ้าเราให้อภัยมันเนี่ยนะบางทีมันไม่ได้อะไรจากเราเลยนะอ่นะสัตว์ลิงนึงก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมแต่เราได้กูเอากูเขาออกจากวกนี้แหละให้อภัยยาทานแม้แต่นหนึ่งครั้งเนี่ย มากกว่าเราสร้างวัดสิบวัดร้อยวัดใช้ทั้งบ่อยๆนะใครให้อภัยก่อนนั้คนนั้นก็ได้ไหนๆให้ไแล้วก็เบาไง น, ะนั่นแหละคนฉลาดนะอย่างไรถึงเรียกว่าเข้าถึงสมาธิสมาธิ ม, าธมีลักษณะอย่างไรกันนะสมาธิเป็นสม บ, บุกสมบูรเป็นหนึ่งเดียวนะตอนนี้เราทําสมาธิเราฝึกสมาธิเพื่อใมันเกิดสมาธิ แต่พ่าครูไม่เน้นเรื่องนี้นะพ่ากรูเอาสมาธิที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เราดําเนินให้มันเกิดสติแล้วให้มันเกิดปัญญานี่คือมั่งคดิตนะไม่ไม่ใช่ขบวนฝึกไม่ใช่ขบวนการฝึกขั้นตอนฝึกขั้นตอนที่ใช้สมาธินะใช้สมาธิมาทำหน้าที่เราอยากตั้งมัน่นถ้าเรามีความตั้งมัน่นมีสมาธิเต็มเป็นๆอย่างเดียวกับมันแล้วเนี่ยสติมันก็ตื่นรู้นะปัญญามันก็พุขึ้นมา มันมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวพรารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรเนาะตอนจิตในจิตนั่งเวียนคำว่ารู้สึกที่หัวใจหมายถึงอะไรครับอนะรู้สึกที่ที่หัวใจคืออย่างนี้เราใช้อุบายเนี่ยได้ยินเสียงที่หูหูซ้ายก็ได้หูขวาเอาอย่างเดียวมารู้ที่ใจนะมันไม่ใช่ไปท่องบทนะเอาความรู้สึกเข้าไปคือธรรมชาติอย่างนี้เวลาได้ยินเสียงปุ๊บ ก็ท้อูปุ๊บก็ท้องผดซากปุ๊บมันจะส่งมาให้มโนอวิญญาใจมันดึงมาทั้งหมดหรอมันต้องรู้ทุกอย่างเห็นไหมมารู้ปุ๊บมันมีสัญญาจำได้ไหร่ดว่าไอ้นี่เสียงของในแดงที่ฉันเกลียดมันมากเลยเห็นไหมมันก็เปิดวีขึ้นมานี่คือขบวนการทํางานของมันเราก็รู้ขบวนการนี้แล้วเอาความรู้สึกเอาจิตเนี่ยไปรับรู้ตรงนี้หัวใจมาปุ๊บก่อนมันจะเกิดเวทนาปุ๊บเราก็วิ่งมาที่หูอีก มันก็เป็นไปเนมาเดินไปเดินมามันจเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นหมายถึงเวลาหมุนลูกขานเนี่ยต้องต้องใช้สองส่วนช่องสองนิ้วในหมุนมันก็เกิดแรงเหี่ยงขึ้นทีนี้ในช่วงมันเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นร่างกายแล้วก็เขนมันคล้ายๆว่าอยากจะเป็นอุปสรรคขวางมันถ้าร่างกายแข็งทื่อเนี่ยจิตมันไม่มีพลังเห็นไหมเห่งไปด้วยเร่ไปด้วยมันก็เร็วเร็วขึ้นบนลูกคานเร็วขึ้นปุ๊บมันก็เนียงเห็นไหมเวลามันนิ่งไม่ใช่มันไม่หมุนนะมันหมุนเร็วมาก นะมันดึงให้เราไปอยู่ในแกงการของตรงนั้นน่ะนั่นคือเอกขตารงนั่นแหละคือฐานสีสูงสุดนะพร้อที่จะเจริญวิปัสนาเห็นไหมเพราะมันลูกค้ามันหมุนแรงรนที่สุดเนี่ยมันดูดพนจากแรงดึงดูดของต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอิสระแรงเบี่ยดมันทําให้มันอิสระจากความคิดอารมณ์อย่างที่ใจเห็นไหมมันจะเข้าไปสู่จริงตจริงเห็นไหมพอลูกข้ามันหมุนเต็มที่ปุ๊บมันอิสระปุ๊บมันก็ดูดลงไปนะไว้นิ่งหลก จิตล้วก็เหมือนกันวินาทีทั้นเท่าแรงเหวี่ยมมันมากกว่าอายตนะมากกว่าความคิดจากอารมณ์ที่ใจเนี่ยเวลาเรานอนหลับเนี่ยมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่มันไม่หยุดทํา ง, งานนะ<ม>คือหัวใจมันต้องเต้นถ้าหัวใจเริ่เต้นปุ๊บเราก็ตายแล้วมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วเห็นไหม2ีชั่วโมงไม่เคยหยุดตลอดชีวิตมันไม่หยุดเราไม่เคยเห็นใจตัวเองนะใจมันทํา ง, งานหนักมาก ทีนี้เราให้มันแบกภาระดีใจก็ลงใจเสียใจก็ลงใจตกใจก็ลงใจมันก็เป็นโรคหัวใจหมดโรคจิตโรคใจเขาทำงานหนักมากนะทีนี้เขามีพลังอยู่แล้วเราก็สร้างพลังอีกพลังหนึ่งสร้างพลังเสียงให้มันกระทบหูนะครเขาว่าขัดสนมันแผดแเหมือนเเอารูปฟุตบอลลูกเทนนิสเนี่ยเสียบเขาข้างฝา ถ้าเราเพี้ยงแรงเท่าไรมันจะอิมแพคเข้ามาคืนแรงมันก็เปิดพลังอย่าหนึ่งมันก็ดึงจิตมาหัวใจดึงมาคืนมันก็ดึงมันไปดึงกันมาดึงมันไปดึงกันมาเกิดแรงเบียงขึ้นจริงๆแล้วนี่คืออานาปัาสติลมหายใจเข้าออกคืออานาลมลมมันคืออานาคืออากาศมันก็มากระทบที่จะมุกถ้าเกิดเรามารู้ที่ใจนะ แต่ตอนที่เราไปดูเราจะระราบไอเสิ่์สั้นก็รู้ยาก็รู้ก็กาหนดมาอันนั้นก็ได้แค่ความเป็นเป็นเป็นอนุสติแล้วก็อพัฒนาอาณาอากาศนไปเป็นปลานะขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีแรงดึงระหว่างสองส่วนมันหนุนไม่ได้ใครเคยฝึพุทธทวมานเนี่ยเขาตัวนี้ก็ได้เพื่อสตาร์เตอร์นะ้เพราะเราไปติดเนะ่ยให้มันเข้ามาถึงใจมันจะเกินแรกใหญ่ เปี่ยนพุทธก็ต้องปล่อยเพราะมันมันมันกระทุ้งใจมันใจ็เหอยอันนี้เขาหมุนได้เห็นไหมอันนี้เรียกว่ากลีดจะไปตั้งชื่อพุทโทธรรมโมสามโคลอะไรมันก็อยู่ในส่วนที่เป็นกลีดกลีดสุดนข้นต้นนี้ก็มันก็ทุบผัดซัดตอวที่มัเกิดแรงดึงหัวใจเต้นปุ๊บมันก็เกิดพลังดึงไปมันก็ดึงไปมามันก็เกิดแรงเหลี่ยงขึ้นนะทําได้หมดเห่างนี้ได้ มาที่ใจก็เกิดมุ่สั่งมก็เป็นแต่เมื่อมเกิดการเปลี่นขึ้นเห็นไหมแต่ว่าพวกครูเลือกเสียงเพราะว่าผู้ปฏิบัติไม่ต้องกําหนดจะไปสร้างมันขึ้นมานะพวกครูลองกันหมดแล้วเสียงนี้เนี่ยมันเหมาะแล้วก็มันเด้งได้ทีนี้พอเข้าไปเลิ่มเรือมเ่มคาดไปไปไปแล้วเสียงมันไม่อยู่มันไล่กันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราแต่เราทำไม้กี่นาที demais. มีมีสายนึงที่เขาทำเขาก็สแสดงอาการเหมือนกันบอกเอยโยนเจ้ากรรมในเวรมาทวนนี่ไปทําบ <c oughs> ุญเราต้องรู้ว่ามันเกิดแรงเบี่ยงเพราะอะไรนะทุกคนทําได้มันเป็นธรรมชาติของกรมสร้างร่างกายมาลุกรู้สึกที่หัวใจเนี่ยหมายถึงอย่างนี้นะมารู้สึกมารู้ที่ใจยังไม่รู้สึกนะถ้ารู้สึกปุ๊บที่สายเกิดมาแล้วเกิดเวทนาแล้วรู้สึกดีใจเสียใจล่ะนะ ก่อนที่มันจะเกิดความรู้สึกมันรู้ทีจะธรรมชาติมันส่งมาที่ใจเราก็วิ่งหนีนะหูมันดึงแพ็คมันก็ดึงมาหัวใจดึงกลับไปคืนก่อนให้มันมันมันจะมารู้ที่ใจแหละแต่ก่อนก่อนอย่าไปปล่อยให้มันรู้สึกถ้ารู้สึกปุกมันจะเกิดเวทนาใช่ไหมวิ่งหนีมันดึงไปดึงมาก็เกิดแรงนี้เป็นเทคนิคซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะแล้วก็และทำไมรู้สึกที่หู บวกรู้สึกที่หัวใจจึงทําให้เปลียนได้ในครับที่พระคูอธิบายมันเกิดแรงหนึ่งระหว่างสองส่วนเรามีพลังงานอยู่แล้วคือหัวใจมันเต้นอยู่แล้วนี่เป็นพลังขั้นฐานแล้วก็พลังสร้างพลังกระทบอย่างใหม่กระทบขัดสับางคนเป็นเท่งดูเท่งกระสีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าบางทีมันเกิดพลังตรงนี้นะบางทีมันฟุกก็ได้มันเพ้งบางทีมันเถื่อนปุ๊สายชาติเนี่ย หัวใจมันจะดึงไปดูที่ใจตลอดนะมันก็เกิด แ, แรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงจากลูกเนี่ยกระทบตาเนี่ยมันมาที่ใจมันดึเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจอายตนะเราจะรู้ว่าเทคนิคไหนกระชังไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่า ง, างไม่เกี่ย ว, ยยวยกับอายตนะส่วนจะไปตั้งชื่อพมโมพุทโธสังโฆไทยก็ช่าบเนี่ยมันเป็นอุบายให้เราจําแม่ทีนี้ไปจับมันอยู่ตรง น, นั้นแหะมันก็อยู่แค่ข้างนอกแค่ขอดจัาเนี่ยมันไม่เกิดแรงมูน หละมันเหมือนมีประโยชน์นะทำให้ได้สงบนิ่งแต่ถ้าเราไปจาบสมาธิตั้งมั่นอย่าลังสงบนิ่งเลยเลยมันก็ได้แค่ความสงบไงแต่เราไม่สามารถมีพลังเข้าไปสู่กลองปัญญาได้อย่างครูบาอาจารย์ยุคเรามีสแสดงธรรมครั้งใหญ่นะนะไปอยู่อาร์ดาวันที่สิสาสิบ3ปดปีไม่ก็ได้ 4, 3, ไ เ, เขาเปรึกษาสามข้างใ น, นพอไอว้วิบากกรรมร่วมตัวใหญ่มาช น, นปึ้งก็ออกไปเลยน่าเสียดายมาก นะมันหมุนได้ด้วยแรงดึงสองส่วนเหมือน้องหมุนลูกข่างเราต้องมีสองนิว้วเห็น ไ, ไหมมันก็หทุกคนทําได้นะเดี๋ยวคืนนี้ก่อนไปนอนลองทำอยู่ก็ได้นะเอาลิ้นก็ได้นะองค์ยาเนี่ยนะองมันกําหนดรู้ที่ิ้หัวใจมันดึงกลับไปเองอ่ะอย่าไปกำหนดมันเนี่จะ ย, ยไ่ไปไปฝนเอามารู้ที่ดินโดยธรรมชาติมัดึงไป แล้วก็มารู้ที่ดินดูรถนั่นแะมันจะเกิดแรงหนึ่งแต่ตรงนี้นี่มันเล่นสติไม่ได้พลังมันไม่ถึงเราก็ได้แค่เจริญอาณาปณสติซึ่งเป็นอนุสติแล้วก็พัฒนาลูกสติเล่งสติมุมกลงง้อลของธรรมาจากักให้มันพัฒนาไปสู่มหาสตินั่นแหละเป็นเทคนิคในการเข้าไปในจิตในจิตการเข้าจิตคืออะไรครับเพื่ออะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เข้าจิตแล้วเมื่อเราเข้าไปถึงแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะการเข้าไปในจิตคืออะไรคือจ well ิตป okay. ัจจุบันเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์เราได้นั่นแหละนะแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อไปขัดเก่าจิตให้สงใส่เมื่อจะไปนั่งดูจิตดูจิตดูดูเนี่ยมันก็เพื่อนเหมือนเก่าไงอย่าที่เราร้องไห้หัวเราออกมันกาลังไหลออกล่ะแล้วช่วงที่มันไหลออกมาปุ๊บหนึ่งเราก็ถึงโอกาสนั้นน่ะเรียนรู้กับอารมณ์นั้น ก็กตัวอย่างว่าปัจจุบันเราโกรธปุ๊บเราก็โกรเลยเราไม่เห็นเราโกรธนะแต่พอเราดีวายไปดูตอนที่อดีตเราโกรธปุ๊บเราจะว่าโกรธึ้นโง่อ่ะเราเห็นอารมณ์เลยโกรธทำไมเนี่ยมันเกิดกันยญานะแต่ปัจจุบันนี้สติเราไม่ทันเราเราโกรธล้วก็โกรเลยแล้วก็ทําตามเราโกรธเนี่ยเราไม่เห็นแต่พอเราดีวายไปเรียนปุกบหเราจะเห็นว่าโอ้เราโกรธอารมณ์โกรธนะมันมันทําให้เราเสียพลังเยอะนะ เนี่ยจิตมันก็ไปเห็นปัญญาตรงนั้นเห็นจากประสบการณ์จริงๆเรานะนั่นแหละที่เราทำํำในอมเข้าไปในจิตกพระพุทธเจ้าสอนไงกายในกายเวชนาในจิตในจิต ท, ทําในธรรมถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเนี่ยเราก็ไม่สามารถเสกธรรมในธรรมเห็นไหมบ้านหลังนี้ท่วยาจิตไปนนั่งสอนดูท่าตา๋ามันก็เพื่อนเหมือนเก่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันร้อนมันเย็อย่างไงเห็นไหมพอผมดูปุ๊บือเข้าไปในจิตในจิตแล้วก็รู้ว่าอารมณ์ข้างในเห็นไหม แล้วก็กลายขยะมันออกมาเรื่อยๆเห็นไหมเพราะมันเปออนื้อนไงและไอ้พวกนี้ก็เป็นซ่องสูงไวรัสต่ตางๆที่ทําให้เราไม่สงบใชไหมไม่ใช่ดูจิตเห็นจิตอย่างนั้นต้องเข้าไปในจิตในจิตไปสัมผัสมันนะคำว่าจิตเห็นจิตนะไม่ใช่ไปนั่งดูมันดูมันอย่างเงี้ยนะเป็นนั่งดูบ้านทีนี้ก็เห็นเรว่ามันเฉยๆเห็น ไ, ไหมสองหน้าตา่างหนุ่มก็จเปื้อนเหมือนเสานั่งเพ่งอย่างนั้นร้อยปีก็จะเปื้อนเหมือนเสา เข้าไปในจิตในจิตไปสักสังนะก็ดีความคำนั้นเมื่อเราเข้าจิตไม่ได้สักทีหมายถึงเราล้มเหลวหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับแค่เรายังไม่เข้าไปเท่านั้นเองอย่าพล่อยนะกาเบียนถามพ่อครูครับเป็นสมาชิกเก่ามาเข้าคอร์ดช่องนาดาจิตตังมีคนตกมือสักพักเริ่มหมุนแบบเกือบจะ ควบคมตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเริ่มหมุนแบบเซไปเซมาก็มีเบอร์เกอร์ประจำศูนย์มาบอกว่าถอยออกมาอยู่กับการเคลื่อนไหวนะคะถอยออกมาค่ะไม่เข้าลึกนะคะถอยออกมาค่ะคนที่ตกมือเชียร์ก็บอกว่าไม่เข้าใจอุตสาหเชียร์ตั้งนานทาํทาทำทำไมถึงไม่ให้เข้าลึกนะ พวกคช่วยอธิบายหน่อยกันกาบของพระคุณค่ะเห็นไหมเวื่อกี้เราบอกว่ากําลังเข้าหรือกำลังจะเซ็งจะควบคุมตัวเองไม่ได้เขากลัวว่าเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้ไงเราจะขาดสติเพราะว่าเรายังมีไม่มีกําลังมาหาศาลเนี่ยเราจะถูกอารมณ์ันลากไปแล้วทีนี้เราอยู่กับหมู่คณะนะถ้าเกิดเราคุมไม่ได้วงแต่งล้วไม่สงสารคนอื่นหรอ เราก็ทํำพื้นดิทําได้ถ้าคนไหนที่ว่าเข้าออกเข้าออกได้หมุนเร็วๆได้แล้วอยู่กับที่ได้นั่นแหสุดยอดแต่นี่มาเริ่มปุ๊บล้วก็เริ่มเซแล้วเนี่ยพขาก็เขาก็เชียร์ให้เราขึ้นนั่นแหละแต่ขึ้นปุ๊บเนี่ยพอเราไดเข้าเลือเขาก็เดินให้เราอย่าไปลึกเนาะเพราะมันเป็นนานาจิตต่างแต่จริงๆแล้วถ้าช่วงจิตในจิตแล้วเนี่ยถ้าเวทีเรากว้างหน่อยนะถ้าไปศูนย์เนี่ยนะพก็คูณต่อเติมศูนย์มีเราเสร็จแล้วเนี่ยมันยาวร้อยแปดเมตรนะ กว้างสามถึงสองเมตรนะทีนี้จะเชีเลยนะอย่าหยุดนะอย่าไปบกรนะว่าทําไมไม่บอกให้ฉันหยุดสักทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราต้องรก้การรักเทใส่เนาะชีวิตเราที่มีเรื่องมีราวกันเพราะว่าเราทําตามใจตัวเองนะบางคนเข้าไปในกิตแล้วบอกบอกมาไม่ฟังบอกเวีที้งเวียนที้เรื่องอะไรจะเวียนก็รำสนุกอยู่ชีวิตเราข้างนอกก็เป็นแบบนั้นไงนะเราไม่เคยฝืนตัวเองเลยการปฏิบัติธรรมคือการฝืนกิเลสนะ วางปืนวาเอาเพะอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆองนะนั่ ง, งเฉยมันก็ไม่ได้กว่านานาจิตตังไงใช่ไหมหนานาจิตตังถูกแล้วคล้ายๆว่านานาศาสนาแต่ไม่ใช่หมายว่าฉันจะทําอะไรก็ได้อย่างนี้แล้วก็ควงควงปืนเข้ามาด้วยนะ<ม>จอเห็นไหมจะยิงใครก็ยิงเลยได้ไหมเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองนะรู้ว่าเหตุการณ์หรเหตุปัจจัยเวลานั้นเป็นอย่างไรถ้าเราชานาญแล้วหนึ่งไม่ไปเลยเบียงก็ไปเลยคนยอกระชั่งหนึ่งเราหลีกได้เลยนั้น จิตมันจะเล่นเลยนะเพราะมันเบียเนเต็มที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีเวลาเยอะเรามีอะไรทําให้ดูเยอะมากนะนะมีทุกเวอร์ชันเพราะมันเบียงงนแรงๆแล้วก็ปุมตัวเองได้มันชํนานาญแล้วเนี่ยมันบอกไม่พอเคลื่อนไหไปเลยซุกแซกเลยนะไปเลยเห็นไหมถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรถ้าเราอันนี้เรามันแรงพุทกเราก็รู้ว่าเรากำลังจะเสซงไงแค่คุณเริ่มแรงแก็กลังจะเสซงแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปเรื่องเย้นอะไรจะเกิดขึ้นล่ะเนี่ย มันก็าวุ่นวายไปหมดอันนี้ให้ฟังนะคือต้องมองวอเกอร์ที่นี่ในแง่ว่าเขาไม่มีเจตานาร้ายกับเรากรรมที่เจตานาแต่เราก็ดีละเก็ไม่นั่งดูว่าเฮ้ยเขาเชียร์ให้เราขึ้นพอ ข, ขึ้นแล้วเขาเชียร์ให้เราหยู่มันวงเนาะเราอาจจะขึ้นแรงเกินไปโดยไม่ควบคุมตัวเองไม่ได้ทีนี้เขาอยู่ที่นี่ทุกวันเขาก็รู้ว่าพอปล่อยให้เราเต็มที่ปุกมีวงแตกเลยนะก็ถึงไม่ต้องปฏิบัติเลยนะ ก็ปฏิบัติเท่านี้ก่อนแล pues ้วเธอก็ได้ปฏิบัติได้แต่ว่าถึงจะช้าหน่อยแต่เราก็เสริมพลังไปด้วยแล้วคนอื่นก็ได้ด้วยอนการนะนี่แหละมันเป็นการฝึกสมมติอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เราอยู่คนเดียวนะแล้วก็ปล่อยให้เต็มที่แล้วก็มือเบี่ยงต้นเสาเลยหัวฟาดอะไรหนึ่งออกมาอย่านั้นไหมสนุกดีเนาะนะวอร์เกออยู่ยีไม่ชอบเขาไม่อยาหาเรื่องเขาก็จะเหนื่อยเปล่าแล้เขาก็เชีให้เราขึ้นไง พอขึ้นทำงนานแล้วโอเคเขาก็เตื่นให้เร า, เาละคือควบคุมตัวเองนะถ้าเราควบคุมตัวเองได้เ้าแรงเป็นที่แรงเนี่ยแต่แรงนั้นมันมีสตินะเร็วแค่ไหนก็ช่งก็หลบหลีกได้ถ้าอย่างนั้นแนหะแรงไปเถอะนะแต่ตอนนี้เราเลิกแรงเราก็บอกเองมันกำลังจะเซแล้วเห็นขนาดยังไม่แรงเต็มที่ยังจะเซแล้วถ้ามันแรงเต็มที่มันจะเอาอยู่หรือเปล่านะ่ให้เข้าใจเนาะเอาเป็นว่าทุกอย่างก่อนจะคิดน้อยใจอะไรเนี่ยนะ ต้องมองในแง่เจตนานะเจตนาเวอร์เกอร์ทุกคนไม่มีอคติว่าออจะมีอคติอะไรที่จะมาแก้เราหรืออะไรไม่มี น, นะเราเองต้องวางทิฏติมานะเราทุกขบวนการ เ, เป็นการฝึกให้เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ต้องฝืนกิเลสตัวเองได้เพราะกิเลสกันกำลังชอบไมนะี่7จปีพ่กูเจอมาหมด เขาก็ซิบเบาๆอย่บอกพ่อครูนะบางคนพ่อครูได้ยินน่ะอู้หาเรื่องเนาะอู้ห์หยานะหามมาเตรียมตายนะอู้ห์พิเศษมากเลยไปไปท่องสุ่มกันกันที่ว่าฉันเห็นอะไรบ้างฉันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเขาไปออกมาไม่ได้นะนะเราเสร้างพลังเราก่อนแล้วจะเข้าไปยังสุขุมนอกพ่อเดี๋ยวเป็นห่วงมันไม่หนีไปไหนหรอกบัรมีเราสร้างมาหลายชาติมันไม่หนีไปไหน นะเราจะไปเข้าเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่าไปติดมันถ้าติดมันปุ๊บเราคิดโอ๊สุดยอดแล้วเราจะพลาดโอกาสในเห็นสิ่งเห็นสิ่งที่สุดยอดกว่า น, นี้ชาตินี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ตายปุ๊บเกิดใหม่ลืมมาเรียนกอไก่ใหม่พุ๊บจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาตินี้ตายปุ๊บเกิดใหม่มาเป็นวิศวกรตายปุ๊บไปเป็นสถาปนิกตายปุ๊บไปเป็นนักบวชตายปุ๊บ ไปเป็นทนายกว่ามันลืมแต่ถ้าเราเรียนวิวัฒน์เปลี่ยนเราจะเอาวิ ช, ชาต่างๆทีเรียนมามาสะสมให้เป็นวิ ช, ชาใหม่ของจิตตรงนี้เอาทุกประเพณฆาเนี่ยเราถึงขัน้นทางเส้นติได้นี่คือมาสติสำคัเราจะมาเรียรู้เราจะมีกําลังเพื่อจะไปเอาตรงนั้นแต่ถ้าเราเป็นแป๊กอยู่ตรงนั้นอีก น, นะนะแล้วก็กระต่อไปไม่ได้นะต้เข้าใจอย่าใจร้อนแนวที่เราทาเองไม่ช้าหรอกแนวที่เราทําไม่ช้า ใ จ, จเย็นๆนิดหนึ่งเดี๋ยวพอมันเร็วเกินไปไปบนนะไม่เลิกไม่ยอมหยุดแต่ในฉันเหนื่อยเก็ไม่ยอมอยู่เนี่นน ย, ย, ย, ออยบางคนเอ้าเมื่อไหรจะเข้าได้บ่นอยู่ตอนนี้ล่ะพอเข้าแล้วมันไม่ยอมหยุดเมื่อไหร่จะอยู่สักทีเพียงหายใจไม่ทันร <c oughs> ้อนนะผมมา้างว่าเย็นนะผมมาถางว่านะเอ้านั้นเราติตตังแก้วเอาโปรแกรนั้นไหมเอาละชั่วโมงนี้เป็นที่นะจะเอาเวอร์ชันที่มัน โดเรมอนแล้วก็คณะอดีครับเป็น